ตเ น, นี่ยก็ต้องมีเครื่องใส่หูบางทีก็ได้บางทีก็รบ ก, ก, กวนเรามาปฏิบัติธรรมก็มีการพูดกันบ้างให้สื่อสารให้ข้อมูลเปนที่ให้ทิศทางก็าจะไปยังไงศศกษาตรงไห น, นไม่ใช่จะหมกมุน่นคุณคิดหนาะเหตุหานะผลด้วยตัวเองอย่างเดียวใสยสื่อสาร เปิดเผยเหมือนรัฐบาลก็มูสื่อสารปิดไปได้ต้องเปิดเผยให้ลูกกันราชการรับราชการโปร่งใสเป็นไงสมนิก่อนแม่หลงตาอยู่มหาวันเราจะไล่ชาวบ้านหนีเลรวล่าพวกวงคาฆาราชการพวกเราชาวบ้านไม่รู้ยังไงเราก็ไปหานิ่ิตนักศึกษา มาบรายขอนเขียนคณะวิจัยให้เขามาดูให้ด้วยให้ไปเอาข้อมูลราชการมาให้เราดูาเอาข้อมูลจากเราไปให้เขาดูเปิดเผยกันดูคือมันอะไรเกิดขึ้นมีนักศึกษามาไปเอาข้อมูลจากหน่วยราชการทหารก็เปิดเผยข้อมูลจะย้ายไปตรงไหนบ้านนี้ย้ายไปไหนเอาไปนั่นเอาไปนี้เราก็พาชาวบ้านไปดู พอชาว บ, บ้านไปเห็นที่ราชการ จ, ะจะ่ายชาว บ, บ้านไปอยู่ชาว บ, บ้านก็ไม่บางคนร้องไห้แหละกลับมาบ้านมากอดต้นไปต้นม่วงต้นขนุนร้องไห้อุตษากมาออกลูกออกผลให้กินแล้วจะได้หนีไปไหนไปอยู่กลางโคกกลางป่าเขาก็ร้องไห้เมื่อเขาเห็นข้อมูลที่ราชการที่ มัดมือชกแต่ก่อนอขาก็เปิดเผยข้อมูลมาชาวบ้านก็ปรึกษากันจะเอาอยัางไงตาก็ไปปรึกษารวมกันกับเขาเขาก็ว่าจะไม่ไปไม่ไปไม่ได้ทหารจะเอารถมาขนเลื่อบ้านลื่อช่องไปลื่อบ้านไปก็ไปแต่บ้านแต่เราไม่ไปอยู่นี่แหละตายอยู่นี่พวกนี้ก็ให้ข้อมูลเข้าจีการไปไม่ไปขอตายอยู่นี่จะฆ่ า, าก็เลยย้ายไม่ได้เลย ต่างคนต่างรู้ข้อมูลกันชีวิตเราเนี่ยมันมัดมือชกเราถ้าเห็นเฉพาะกายเห็นเฉพาะใจเนะี่ยมัดมือชกมันแคบข้อมูลมันมากกว่านี้มาเช่เรื่องกายเรื่องใจก็รู้เฉพาะเรื่องกายเรื่องใจมันครับแคบมันเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้มันกัขังเราอยู่ตรงนี้เป็นสุขเพราะกายเป็นทุกข์เพราะกายเป็นสุขพ courage, เขพราะใจเป็นทุกข์เพราะใจแค่นี้หรือชีวิตเรานี่นอกจากนี้ไปหรือเปล่า สิงจะ่เราทุกข์อ่ะมันเป็นยังไงสิงที่เราสุขคืออะไรเกิดา ก, กายจากใจนี้ต้องได้ข้อมูลเปิดตรงว่าผู้ที่ให้ข้อมูลคือความกลางกลางผู้ที่รู้คือสติ จ, จัมมญาณะความรู้สึกเห็นอวันสุขสิ่งที่เคยสุขสิ่งที่เคยทุกข์เกิดกิดกายกิดใจมานคืออะไรให้ข้อมูลเข้าไปเป็นกลางเข้าไปดูเข้าไปมันก็เปิดเผยออกว่า เห็นกายเห็นใจเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแตกฉานลงไปเลยไปเห็นกายเป็นรูปธรรมรูปธรรมไม่พอมันทำดีทำชั่วกระจายออกไปมันทำตรงไหนอะไรพาให้ทำดีทำชั่วเห็นออกไปรูปทุกนามทุกเห็นออกไปอะไรเป็นทุกเพราะรูปมันกระจายออกไปมันบอกเป็นควมเป็นกลางเกิขึ้นสอบสวนเข้าไป พิภากษาเข้าไปตุลาการเข้าไปฟ้องเข้าไปเอาความเท็จคงจริงออกมามันทุกข์ยังไงยอมรับันหรือความทุกข์ความสุขที่มันแสดงออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ข้อมูลเห็นไปได้ข้อเท็จจริงข้อจริงเป็นของไม่จริงข้อไม่จริงเป็นของจริงมันก็เปลี่ยนไปได้คข้อทุกข์เป็นของไม่จริงแต่ความความทุกข์เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดจากก่อยเป็นทุกข์ ไม่มีทางออกเพราะไม่มีข้อมูลที่ดีจนจนตรงนี้ยีวิต็นเราจนตรงนี้จนความทุกข์เพราะทำให้ทุกข์จนความโกรธเพราะทำให้โกรธจนความหลงเพราะทําให้หลงจนต่อความรักความชังทําให้ความรักความชังเกิดขึ้นได้เราไม่จนตรงนี้ได้ไหมมีสิทธิไหมเรื่องโกรธมีสิทธิ์ไว้ไม่โกรธได้ไหมเรื่อทุกข์มีสิทธิไมไม่ทุกข์ได้ไหม เวลาหลงมีสิทธิไม่หลงได้ไหมเขาอยให้เราไปทุกข์หรือเขาใช่เราไป <c oughs> เหมือนกับชาวบ้านตัดดินดองเขาใช่หนีแบบนี้เลยไม่หนีได้ไหมเช็ดต้องดูสิคนที่เจ้าก้องอะไร่าอะไรไม่ไปหรอกเอามันทุกข์ไม่ไปก็ได้ไม่ปทุกข์ก็ได้เราหั ด, ดูสิมันมีทางไปรยชนมันมีทางประโยชนชีวิตหลงเราใช้กา ย, ชายใช้ใจนี้เพื่อเห็นทุกข์เห็นทางเพื่อพ้นโทษพ้นพภอย มาเยกมาเป็นโศกเป็นทุกข์อย่างนี้จึงว่าศึกษาธรรมะศึกษาก็คือถหลุงสิกขะคืออิกขาคือถหลุงย่อยแย่การถหลุงนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าตีละคณะปริญญาเหมือนปริญญานหนึง่งผู้ที่เรียนอะไรวิชาการกต่างๆถลุงออกมาย่อยเป็นชิ้นเป็นอันได้เรียนแพศยศาสตร์เรียนกายภาพก็แตกแขนในกายตับไปเส่นผมเส่นเนื้ออยู่ตรงไหนเพืศึกษามันดู แมรฐานของโลกเกิดตรงไหนใช่ย่างไงเราก็ศึกษาไปรักษาโลกที่เกิดจากลกูลกลูกโรคต้งเกิดกับลกูกมีเยอะแยะการศึกษาวิชาเร่องนี้ก็สําเร็จเคยเห็นกับตาเคยสัมผัสกับวิชานี้ที่ผู้มีการศึกษาตอนที่เราหายใจไม่ได้ก็ ม, มีความลูกการศาึกษาเนี่เขามาโชว์ เมื่อมาเยืนอยู่อเมื่อมามาเยืนอยู่ข้างเตียงเรา น, นอนหายใจสะลนสลดอยู่เขาก็บอกว่านี่ถ้าหลวงพ่อหายใจไม่ได้จะเอานี่มาใส่ให้หลวงพ่อสูดหายใจถ้านี่ใชจไม่ได้จะเอานี่มาใส่แล้วก็ฟังเขาก็ไม่จนนะเราหายใจไม่ได้เพราะคงไม่คมรู้ก็เนี่ไม่ใส่ทํำแรงๆไม่ใช่ไม่ได้อจะเอานี่มาใส่ โชวสิ่งวัตถุที่เขามีเขาไม่จนน่ะแล้วก็ดูเขาเอ้าแล้วต่เขาจะทำเอาไปมาก็ขอหายจะได้เขาน้านะมาใส่มันก็ไม่ได้อันที่สองมาใส่ก็ไม่ได้อันที่สามมาใส่ก็ไม่ได้อันที่สี่มาใส่ก็ก็เงียบไปเลยแล้วไม่รู้ <laughs> เ, นรยยเนี่ยเขาก็มีปยยัญญาไงถ้าไม่ปัญญามันจะรอดไปมไม่รอดเลยเขามีความรู้รักษาโรคได้ แต่เรารักษาเราได้ตลอดเวลาหายใจไม่ได้เป็นทุกข์หรอไม่ทุกข์ไม่ได้ตายเพราะคองตายไม่ได้ตายเพราะหายใจไม่ได้เราอยู่ของเราเองเราไม่จนเพราะศึกษาข้อมูลที่เกิดจากการจักใจเห็นเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปทุกข์เห็นรูปโลกเห็นรูปนามทุกข์โลกของรูปมีเยอะ โลูกของนามคือใจมีเยอะแยะเราไม่จนลราไม่จนต่อความเจ็บเราไม่จนต่องแก่เราไม่จนตของตายเขาเห็นแล้วรู้แจ้งติลักณะปัญญาแจกแจ้งญาติปัญญารู้แล้วรู้แล้วสี่สิบกว่าปีปัญหาหนปัญญาทําให้หมดสิ้นไปแล้วไม่ใช่รู้เฉยๆรู้แล้วเข้าไปทําทําได้แล้วเสร็จแล้ว มันเราลูกการลูกงานลู่แล้วก็ไปทําเราเรียนวิชาอะไรไม่ใช่ไปลู่แล้วออกเป็นคผู้ต้องทําดูแล้วเราเขียนหนังสือเดียนหนังสือกไก่ก็ขเขียนกไก่อ่านดูผอสมสละเอกไปเรียนคณิตศาสตร์ก็เขียนคณิตศาสตร์เอามาตั้งมนาะเป็นตัวตั้งมนาะเป็นตัวประกอบขึ้นมามันใช่ได้ ทำเป็นไม่ใช่โลกทำเป็นด้วยห้าบวกห้าเขามาทำยังไงไม่ใช่เป็นคำพูดเอาเลยห้าตั้งเอาห้าเลยห้าไปบวกเครื่องหมายบวกเข้าไปนับด้วมือเอา้ามันได้สิบมันทําเป็นแล้วมันทำเป็นมันก็ไม่ลืมนี่ก็ไปทํานี่จะกายใจเขาเราเราไปทำดูสัมผัสดูสัมผัสความทุกข์อู้ไม่ต้องถามใครนี่เคยทุก สัมผัสความไม่ทุกเวลานานเออนี่คือความไม่ทุกความไม่ทุกอยู่ความความทุกอยู่ด้วยกันเพราะมันมีรูปมีนามมันไม่ใช่เป็นดุ้นเราตีตะณะปิญาแฉกแง้งทำให้มันเจ็ดไปไม่ใช่ทุกของรูปตลอดเวลาแล้วก็เห็นนี่มันคือทุกกํำหนดรูแล้วรูแล้วเกี่ยวกับทุกยังไงสําเจ็จไป เปลี่ยนทุกเป็นไม่ท <uniform> ุกได้ไหมอย่างนี้ด้วยศึกษาจะหลงออกไปมันจบมันผ่านมันเป็นทางมันเป็นหมวดเป็นหมู่อันที่เป็นผิดมันก็มีอันที่ถูกอันที่มันทุกมันก็มีอันไม่ทุกอันที่มันหลงมันก็มีอันไม่หลงพะมีอย่างนี้มีเกิดมันก็มีไม่เกิดมีเจมันก็มีไม่เจมีเจ็บมันก็มีไม่เจ็บมีตายมันก็มีไม่ตายอย่างนี้ เรื่นี้เกิดขึ้นกับพระศิตพรธได้เป็นการบ้านของเจ้าผ้าชายอมาศึกษาเรื่องนี้เขาเห็นกับตาเนี่ยการเกิดการแจอการเจ็บการตาย เ, เ, เ, เป็นมัดมือโชคเราเหลืหอปิดประตูตีแมวหรือไม่ยอมมองเป็นคู่เมื่อเกิดต้องไไม่เกิดเนี่ยเหมือนกับเปรียบเทียบไปอย่างอื่นไม่มืดก็มีสว่างมีร้อนก็มีหนาวเปรียบเทียบมันตป ก็มาเห็นความเปรียบเทียบน่าจะเป็นของเปรียบเทียบได้อะไรมันเป็นของศึกษาได้ในชีวิตลี้ในโลกนี่โลกมันกลมคนหนึ่งว่าโลกมันแบนศึกษาดูส่วนที่สุดก็ตกลงกันได้เพราะมันไม่ปิดบงังในชีวิตลมไ ม, ไม่มากขนาดนัด้นมันก็ตอบได้โดยตนเองเปลี่ยนได้โดยตนเองไม่ใช่อาจยัยวิทยาศาสตร์เชิงประกอบวัตถุที่หนึ่งที่สอง ศึกษาชีวิตของเราไม่มีวัตถุทิ้งที่สองมาประกอบดูเข้าไปเลยอย่าติดบังให้รู้ซื่อๆอย่ามีอะไรไปเกี่ยวข้องความทุกข์อย่ามีอะไรไปเกี่ยวข้อ ง, ออไไ เ, องหเห็นทุกข์รุ่นรุ่นรสชาติความทุกข์เป็นไงขมไม่ทุกข์ก็อย่ามีอะไรไปเกี่ยวข้องเหตุผลไม่ใช่เอากานกระทำเข้าไปละอ๋อมันก็ถ้าเป็นไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์รุ่นรุ่นอยู่ตรงกัน อย่างนี้เลยว่าอริยสัจอริยสัจคืออะไรคือไม่เหตุมีผลเอาไปประกอบการศึกษาให้รูปทำนามทำอริยสัจเนี่ยไปประกอบการศึกษามันมีส่วนให้ประกอบทุกๆุกเวลาทุกๆุกขั้นตอนในรูปในนามในแม้แต่นอกแก่รูปป็นนามไปเอาไปประกอบวิชาชีพก็ได้มันยากมันจนเพราะอะไรทำไมจึงยากจน เพราะอะไรการนั่งยากไปจนเพราะเสียงใดนั่นก็มีทางไปไม่ใช่เราไปยอมจนเหมือนจนทานเหมือนพวกสูตรของวันนักอินเดียแล้วก็ยอมยอมสภาพเช่นั้นแม้จะบัญญัตินี่เป็นจนทานนี่เป็นสูตรนี่เป็นพรามนี่เป็นแพทย์นี่เป็นาราชากษัตริย์กคนจนทานก็ยังยอมรับห้าหกคันตีมาแล้ว เราเนะี่ยลอมยอมรับบัญญัติสมมุติบัญจัตเขาสมมุติให้เราว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วก็โกรธเสียใจยอมรับยอมรับเขาบัญญัติให้เราว่าเป็นคนดีก็ดีใจเกิดเป็นลงไหลบัญญตัตินี่สําคัญถ้าปรมัตี่นี่มันก็เหนือเหนือเรื่อสมมุติเหนือบัญญัติต่า นี่เราจึงมาศึกษากันไม่ล่าสมัยหรอเนี่ยก็อยู่แค่นี้สี่ห้าคนชีวิตก็มาศึกษากันยิ่งใหญ่มากเริ่มต้นจากตรง น, นี้กันร้อยคนพันคนก็คือเรื่องนี้คนเดียวก็คือเรื่องนี้ไม่สำคัญเรามาศึกษาเราตลอดเวลาอย่าประมาทอย่าหลงไหลอย่าไปเชื่าเออ อันที่มันถูกต้องต้องมีคน ม, กมากๆอันที่ไม่ถูกต้องมีคน น, น้อยสมมติวันหยุไม่ใช่พระเจ้าไม่มีเพื่อนจะก่อนเอยศึกษาคนเดียวสนใจวรัตบุตรมีลูกศิษย์ลหาเป็นพันเป็นหมื่นอ น, นถามสารีบุตรก่อนสารีบุตรจะออกไหนจากอาจารย์สนใจวรัตบุตรสารีบุตรสารีบุตรคนฉลาดกับคนโง่อะไรมากกว่ากันคนไหนมากกว่ากัน สารีบตอบว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดเออให้เธอไปหาคนฉลาดซะเราจะอยู่คนโง่เนี่ยมันก็สนุกหลอกกันถ้าเเอาประมาณไม่ไ่ะต้องเอาศัจธรรมมาศึกษาในจิตเรามีตำราวัดความถูกต้องในหัวใจเราจะเอาเหตุเอาผลคำตอบจากกายจากใจเนี่ยทุกมันจริงไหมอันไม่ทุกมันจริงไหม หลงจริงไหมไม่หลงจริงไหมโกรธจริงไหมไม่โกรธจริงไหมพิคิดไหลเข้าไปเปรียบเทียบเข้าไปรู้เข้าไปให้ข้อมูลตัวเองมีสติมีสัมผัะรู้เข้าไปรู้เข้าไปมันก็ไปเรื่อยเดินหน้าไปเรื่อยทะลุทะลวงไปได้เหมือนทางนะถ้ า, ราจรงต้องจะประมาทอยู่แค่นี้ก็ไม่ประมาทสนุกสนานปฏิบัติธรรมกัน